วันนี้เป็นวันอังคารที่ส1อธันวาคมพุทธศักราช2562เป็นวันสุดท้ายของปี2562เรียกว่าวันสิ้นปีถ้าเป็นบริษัท ค้าขายทำธุรกิจก็เป็นจะมีการปิดบัญชีเพื่อที่จะได้ดูว่ารายรับรายจ่ายของบริษัทเป็นอย่างไรว่าการดำเนินกิจการมาทั้งปีนี้ได้กำไรหรือขาดทุน ก็จะดูตรงที่รายรับกับรายจ่ายถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็เรียกว่ากาไรถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็เรียกว่าขาดทุนเมื่อรู้ผลแล้วก็จะได้รู้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ถ้ากำไรก็ดำเนินกิจการต่อไปได้ถ้าขาดทุนถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขลดการขาดทุนให้หมดไปบริษัทก็จะอยู่ไม่ได้บริษัทก็ จ, จะต้องปิดกิจการไป จิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนบริษัทที่ทำกิจกรรมกิจการต่างๆใจิตใจของเราก็มีกำไรและมีขาดทุนมีรายรับมีรายจ่ายพอถึงวันสิ้นปีพวกเราก็ควรที่จะมาทำบัญชีของใจิตใจกัน มาดูว่ารายรับรายจ่ายของจิตใจของพวกเราเป็นอย่างไรรายรับมากกว่ารายจ่ายหรือรายจ่ายมากกว่ารายรับกำไรหรือขาดทุนเพื่อที่เราจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไป เพราะจิตใจของเราถ้าขาดทุนก็จะต้องล่มจมถ้ากาไรก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าเจริญรุ่งเรืองก็มีความสุขถ้าล่มจมก็จะมีความทุกข์รายรับรายจ่ายของจิตใจเป็นอย่างไร รายรับของจิตใจก็คือบุญที่เราทำกันนี่เองส่วนรายจ่ายก็คือบาปที่เราทำกันบุญแะบาปนี่แหละเป็นตัวที่จะผลักดันให้จิตใจของเรามีความสุขความเจริญหรือมีความทุกข์มีความล่มจม อยู่ที่บุญและบาปที่เราทำกันในแต่ละวันดังนั้นเราลองมาทบทวนดูตั้งแต่วันที่หนึ่งของปีนี้มาจนถึงวันที่สาสิบเอ็ดธันวาของปีนี้ว่าเราได้ทำบุญมากน้อยเพียงไร ได้ทำบาปมากน้อยเพียงไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจิตใจของเราจะเลิ่นขึ้นหรือเสื่อมลงจิตใจของเรานี้เราสามารถที่จะควบคุมดูแลได้เหมือนกับกิจการของบริษัทที่เราสามารถที่จะดูแล บริษัทของเราให้เจริญหรือให้ขาดทุนได้จิตใจของพวกเราพวกเราสามารถที่จะทำให้จิตใจของพวกเราเจริญขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะทำให้จิตใจของพวกเราเสื่อมลงไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเรารู้ว่าอะไร ทำให้จิตใจเราจเจริญและอะไรทำให้จิตใจเราเสื่อมถ้าเรารู้เราก็จะได้ทำแต่สิ่งที่ทำให้จิตใจของเราจเจริญสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเสื่อมเราจะได้ละเว้นจะได้เลิกกระทาเสีย เมื่อเราไม่มีการกระทาในสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเสื่อมจิตใจของเราก็จะไม่เสื่อมลงถ้าเรามีการกระทาที่ทำให้จิตใจของเราจเจริญจิตใจของเราก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปตามลำดับนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราสามารถจ ะ, จะเจริญก็ได้ สามารถจะเสื่อมลงก็ได้ผู้ที่ทำให้จิตใจเราจเจริญหรือเสื่อมก็คือบุญหรือบาปที่พวกเราทำกันอยู่นี่เองเพียงแต่ว่าพวกเราอาจจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่า บาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงหรือไม่ทำแล้วมีผลจริงหรือไม่แต่ถ้าเราได้มาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รับการยืนยันว่าบาปบุญมีจริงผลของบาปของบุญ คือความสุขความเจริญของจิตใจหรือความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจนี้มีจริงนะและอยู่ในรูปแบบอย่างไรความสุขความเจริญของจิตใจเป็นอย่างไรความเสื่อมความทุกข์ของจิตใจเป็นอะย่างไรสิ่งเหล่านี้มีจริงนะถ้าเราได้ศึกษา จากแหล่งที่รู้จริงคือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราจะสับสนระหว่างผลของการกระทาของเราเพราะเรากลับไปมองผลอีกด้านหนึ่งไม่ได้มองผลที่จิตใจของพวกเราเราไปมองผลที่ ร่างกายของพวกเราผลที่ร่างกายของพวกเราจะได้รับคือลาบยศสลรเสริญคือรูปเสียงกลีนรสต่างๆนี่ไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปแต่บางคนไปมองคิดว่าเป็นผลของการทำบุญทำบาป คือคิดว่าถ้าทำบุญทำความดีแล้วจะเจริญในลาบยศสารเสริญสุขสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าทำความชั่วทำบาปก็จะเสื่อมจากลาบยศสารเสริญจากความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพ้ ทั้งสองอย่างนี้คือผลที่เกิดจากการเจริญหรือเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขนี้บางทีมันไม่เกิดจากการที่เราทำบุญหรือทำบาปกันเพราะว่าผลของบุญและผลของบาปนี้เกิดที่จิตใจผลที่เกิดในลาบยศสารเสริญสุขนี้ เป็นผลที่เป็นผลพลอยได้คืออาจจะเกิดก็ได้หรือไม่อาจจะเกิดก็ได้เนะีเช่นคนทําความดีแต่ไม่ได้ร่ำรวยก็มีไม่ได้ยศได้ตำแหน่งก็มีนะไม่ได้การสรรเสริญเยินยอก็มีไม่ได้รับความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็มี ส่วนคนที่ทำชั่วทำบาปไม่ได้เสื่อมจากลาบยศสารเสริญสุขก็มีเพราะการเจริญหรือการเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขนี้ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงจากการกระทำบุญหรือการกระทำบาปนั่นเองดังนั้นขอให้เราอย่าไปดูที่ลาบยศสารเสริญสุขกัน แล้วเราจะผิดหวังได้ทําดีแล้วไม่ได้เจริญในลาบยศสารเสริญสุขก็จะทําให้เราทออแท้ต่อการทําความดีทําชั่วแต่ก็ไม่เสื่อมจากลาบยศสารเสริญสุขก็อาจจะทําให้เราประมาทคิดว่าทําชั่วแล้วไม่มีผลเสียตามมาก็ได้ ถ้าเราไปดูที่ราบยศสเสริญสุขให้เรามาดูที่ใจเป็นหลักใจเป็นผู้กระทาบุญและกระทาบาปโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือใจเป็นคนใช้ร่างกายไปทาบุญหรือไปทาบาปร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้กระทาโดยตรงร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือ เหมือนกับมีดหรือปืนเราเอามีดไปทำประโยชน์ก็ได้เอามีดไปทำโทษก็ได้แค่เอามีดไปผ่าฟืนไปตัดไม้ไปทำอาหารก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาเอามีดไปทิ้มแทงคนตายก็เกิดโทษขึ้นมา เวลาเกิดโทษเขาไม่ได้จับมีดไปลงโทษมีดไม่ได้เป็นตัวที่กระทําเป็นเพียงเครื่องมือของการกระทําฉันใดร่างกายก็เป็นเหมือนเครื่องมือของใจใจนี่แหละเป็นผู้กระทําผ่านทางร่างกายใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทําบุญหรือไปทําบาป ดังนั้นร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องรับโทษหรือรับผลจากการทำบุญหรือทำบาปผู้ที่ต้องรับโทษของการทำบุญหรือทำบาปคือใจและผลของบุญและบาปของใจนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาของร่างกายเป็น เรื่องของใจนี้เราใช้ตาของร่างกายดูไม่ได้เราจึงไม่เห็นใจผู้กระทำบุญหรือกระทำบาปและไม่เห็นผลของใจของผลของการกระทำบุญของบาปของใจว่าเป็นอย่างไรเราต้องเรียนจากผู้ที่มีตาที่จะเห็น ใจและเห็นผลของการกระทาของใจ<อ>ผู้ที่จะมีตานี้เรียกว่าตาในาหรือตาทิพย์เนี่ยพวกเรานี่มีตาสองตาด้วยกันไม่ใช่ตาสองข้างแต่มีตาสองอย่างตาเนื้อกับตาในาหรือตานอกกับตาใ น, านตานอกคือตาร่างกายเนี่ยที่เราใช้ดูรูป ต่างๆนี้เรียกว่าตานอกแต่เรามีอีกตาหนึ่งเรียกว่าตาในหรือตาทิพย์ตาในของพวกเราตอนนี้ถูกปิดไว้ไม่ได้จะเอามาเปิดใช้เหมือนถูกโมหะอาวิชชาปิดไว้คือถูกหลอกให้เรามาใช้แต่ตานอกคือตาของร่างกาย รวมไปทั้งหูตาหูจมูกร่้นกายเราใช้ตาหูจมูกร่้นกายเพื่อสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่สามารถมองเห็นใจที่เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจของเรานี้อยู่ในโลกทิพย์อยู่ในโลกภายใน ที่จำเป็นจะต้องเปิดตาในถึงจะเห็นใจและเห็นผลที่เกิดขึ้นกับใจที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปนผู้ที่เปิดตาในนี้ได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิธีเปิดตาในวิธีเปิดตาในของท่านก็คือ การเข้าสมาธินี่เองเวลาเข้าสมาธิท่านต้องปิดตานอกปิดตาหูจมูกลิ้นกายที่อยู่ข้างนอกอยู่ที่ร่างกายเพื่อที่จะได้เปิดตาในไดน้เหมือนกับเวลาที่เราไปดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เวลาเราจะดูภาพยนตร์เขาจะต้องปิดไฟก่อน ถ้าไม่ปิดไฟเวลาฉายภาพยนตร์ก็จะมองไม่เห็นภาพเนีเพราะแสงสว่างของไฟมันจะกลบภาพที่ปรากฏขึ้นอยู่บนจอเวลาดูภาพยนตร์ห้องฉายภาพยนตร์นี้จะต้องมืดสนิทแล้วพอฉายภาพยนตร์ก็จะเห็นภาพต่างๆได้อย่างชัดเจนฉันใดโลกภายใน คือโลกของใจที่เรียกว่าโลกทิพนี้ก็ต้องอาศัยการปิดตานอกปิดตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายนำมาเปิดตาหูจมูกลิ้นกายของใจวิธีที่จะเปิดตาหูจมูกลิ้นกายของใจก็คือการเข้าสมาธินี่เองเวลานั่งสมาธิเราก็จะหลับตากัน ปิดตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราเคยรับรู้ด้วยการใช้สติดึงใจให้เราถอนออกจากตาหูจมูกลิ้นกายเวลานั่งสมาธิเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเราก็จะยุติ ใจที่ส่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยความคิดต่างๆนี้เองเวลาเราคิดเราก็จะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเวลาเราหยุดคิดก็เหมือนกับเราถอนตัวเราออกจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เราเพื่อที่เราจะได้ เห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในใจเหมือนกับปิดแสงสว่างในโรงภาพยนตร์พอเราปิดแสงสว่างในโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์มืดสนิทพอเขาเริ่มฉายภาพยนตร์มาบนจอเราก็จะเห็นภาพอย่างชาัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ปิดตาหูจมูกลิ้นกาย เวลาเรานั่งเราสังเกตจะเห็นว่ามืดเวลาเราเริ่มต้นนี้จะมืดเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธนี่หรือดูลมหายใจเราจะไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะรู้สึกว่ามันมืดแต่พอเรานั่งไปนั่งไปพอจิตสงบขึ้นมาทีนี้เราก็จะเห็น เห็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเราเห็นใจผู้ที่ไปทำบุญหรือไปทำบาปและเห็นผลของการทำบุญทำบาปที่เกิดขึ้นที่ใจว่าใจเป็นอย่างไรใจเป็นทุกข์หรือใจเป็นสุขใจ สบายใจเจริญหรือใจเสื่อมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้เมื่อเราเปิดตาใน่พอเปิดตาไนแล้วสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นนี่พวกเราก็จะเห็นเหมือนกันแล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผลของบุญของบาปว่ามันเกิดขึ้นที่ไหน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่ใจใจเราเป็นผู้กระทำบุญและกระทำบาปแล้วใจเรานี้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปผลบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจความเจริญของจิตใจก็เป็นระดับต่างๆที่เราตั้งชื่อไว้เช่นเทวดาอินพรหม พระอริยเจ้านี่นี่เป็นความเจริญของจิตใจที่เกิดจากการกระทาบุญชนิดต่างๆถ้าทำบุญทำทานจิตใจก็จะขึ้นเป็นเทวดาถ้าฝึกสมาธิทำใจให้สงบได้จิตใจก็จะเป็นพรหมถ้าเจริญปัญญามีดวงตาเห็นธรรม มีวิปัชนายานเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันต์ขั้นพระพุทธเจ้านี่แหละคือความเจริญของจิตใจความสุขของจิตใจความสุขก็มากขึ้นไปตามตามลำดับชั้นของความเจริญ ความสุขของเทพก็สูงกว่าความสุขของมนุษย์ความสุขของพรมก็สูงกว่าของเทพความสุขของพระอริยบุคคลก็สูงกว่าความสุขของพรมนี่แหละคือผลที่เกิดจากการทำบุญชนิดต่างๆที่จะทำให้จิตใจของพวกเรานี้เปลี่ยนไปตอนนี้เราเป็นมนุษย์กัน พอเราได้ทำบุญเราก็จะได้จเจริญได้กำไรเราก็จะเลื่อนชั้นจากมนุษย์ขึ้นไปสู่เทวดาชั้นเทพแล้วก็ขึ้นสู่เทวดาชั้นพรหมแล้วก็ขึ้นสู่เทวดาชั้นอริยเจ้าตามลำดับไปตามกำลังของบุญที่เราได้ทำกัน ก็เหมือนกับการทามาค้าขายของบริษัทถ้าค้าขายปีนี้ได้กำไรหนึ่งล้านก็มีเงินแจกลูกน้องให้ไปเที่ยวได้หนึ่งล้านถ้ามีกำไรสิบล้านก็มีเงินแจกให้ลูกน้องไปทาไปเที่ยวได้สิบล้านก็ได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับฉันใดการทำบุญก็จะเป็นอย่างนี้ต่อจิตใจ จะพาให้จิตใจไปสู่ขั้นสูงสุดขั้นพระพุทธเจ้าขั้นพระอาหารหันต์และความสุขของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์เราก็เรียกว่าพระนิพพานเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมเต็มร้อยอยู่ภายในหัวใจไม่มีความทุกข์เข้ามาแทรกแซงเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็เป็นความสุขแบบทาวร ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี่คือผลของการกระทำบุญที่เราควรจะทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องเพื่อเราจะได้ไม่ควยเขวถ้าเราไปมองผลที่ลาบยศเสริญสุขเราจะผิดหวังเราจะทำให้เราท้อแท้เบื่อหน่าย ต่อการทำบุญต่อการทำความดีแต่ถ้าเรามองผลที่ใจแล้วเราจะมีความยินดีเพราะความสุขที่เราได้รับทางใจนี้มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถึงแม้เราจะสูญเสียความสุขจากลาบยศสารเสริญ ทางจากทางตาหูจมูกลิ้นกายไปถ้าเรามีความสุขทางใจเราจะไม่รู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรเลยเพราะความสุขทางใจไม่ได้สูญเสียไปกับการสูญเสียของลาบยศสรรเสริญสุขกันเราจะมีความมั่นใจและอยากจะทำบุญเพราะว่าบุญความสุขของบุญนี้ จะอยู่กับใจเราไปนานกว่าความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสารเสิร์นความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสารเสิร์นมันจะหมดเมื่อร่างกายของเราตายไปหรือเมื่อร่างกายของเราพิกลพิการไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสารเสิร์นได้ถ้าเราไม่มีความสุขทางใจ ไม่มีความสุขจากการทำบุญใจของเราจะทุกข์มากและอาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้แต่ถ้าเรามีความสุขจากการทำบุญสะสมบุญไว้อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่ทรมาน ไม่เดิดร้อนพราะเรายังมีความสุขได้และความเป็นความสุขที่เราเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วส่วนลาบยศสารเสริญและความสุขจากรูปเสียงกล็ดนสดต่างๆนี้เวลาที่ร่างกายตายไป เราเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้ดังนั้นเราอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจกับเรื่องของการเจริญหรือเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเลยขอให้เรามากังวลกับการเสื่อมหรือความเจริญของความสุขทางจิตใจของพวกเราดีกว่า ด้วยการมาคอยตรวจสอบดูบัญชีบุญและบาปของเราว่าอย่างไหนมีมากกว่ากันเพราะถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างความล่มจมสร้างความเสียหายให้กับใจจะดึงใจให้ตกต่ำตอนนี้เราเป็นมนุษย์กัน ถ้าเราไปทำบาปบาปจะดึงให้ใจเราลงต่ำลงจากมนุษย์เราจะไปเป็นเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นกับใจจะทำให้ใจกลายจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกแต่ถ้าเรารู้ว่าการทำบาปเป็นเหตุที่ทำให้เราจิตใจของเราต้องล่มจมต้องเสื่อมลงเราก็อย่าไปทำมันเท่านั้นเอง mm hmm. เ, รเราละ ก, การกระทำบาปถ้าเราละ ก, การกระทาบาปได้ ความล่มจมความเสื่อมของใจก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาคอยตรวจสอบดูระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราทำบุญมากน้อยเพียงไรเราทำบาปมากน้อยเพียงไรเรายังดื่มสุรายาเมาอยู่หรือเปล่าเรายังพูดปดอยู่หรือเปล่า ยังประพฤติผิดประเวณีอยู่หรือเปล่ายังช่อโกงลักทรัพย์ของผู้อื่นอยู่หรือเปล่ายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่หรือเปล่าแม้จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ถือว่าบาปเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีบาปหนักบาปเบาถ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบาปก็เบากว่าการฆ่าสัตว์ใหญ่สัตว์โต ถ้าฆ่ามนุษย์ก็ยิ่งบาปขึ้นไปใหญ่ถ้าฆ่ามนุษย์ที่มีพระคุณยิ่งถือว่าเป็นบาปที่หนักที่สุดคือถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาาระอรหันต์นีถือว่าเป็นการกระทำบาปที่หนักที่สุดที่จะส่งให้ใจตกไปในนรกขุมที่ลึกที่สุดและอยู่ในนรกนานที่สุดเนบาปถ้าเราทา ถึงแม้เราจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ขอให้คิดว่าเป็นเหมือนผ้าขาดเนผ้าถึงแม้จะขาดรูเล็กเล็กน้อยๆมันก็ไม่สวยงามนะแล้วถ้าปล่อยให้มันขาดมากๆรูขึ้นเดี๋ยวมันก็ขาดเป็นรูใหญ่ขึ้นมาได้สะสมบาปเล็กเล็กน้อยๆยทำบ่อยๆทำเรื่อยๆมันก็กลายเป็นบาปใหญ่ขึ้นมาได้ ดังนั้นขอให้เรามาทบทวนดูว่าในปีที่ผ่านมานี้เราทำบาปกันมากน้อยเพียงไรแล้วถ้ารู้ว่าเราได้ทำบาปชนิดนั้นชนิดนี้ลองพยายามหยุดมันการไม่ทำบาปนี้ไม่ได้มาขัดขวางความเจริญขัดขวางการดำเนินชีวิตของเราให้อยู่เป็นปกติสุขได้ เราสามารถทำมาหากินอาชีพที่ไม่ต้องค่าสั์ตัดชีวิตได้ไม่ต้องทำมาหากินด้วยการกระทำบาปได้เพราะความต้องการของชีวิตคือร่างกายของเหล่านี้มันไม่มากเลยมันต้องการปัจจัยสี่เท่านั้นเองคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ซึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นของที่มีราคาแพงๆของที่มีราคาแพงๆกับของที่มีราคาถูกของปัจจัยสีน่นี้มันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันอาหารมื้อละห้าสิบกับอาหารมื้อละห้าร้อกินเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันดับความหิวได้เหมือนกันเสื้อผ้าชุดละห้าสิบกับ เสื้อผ้าชุดละห้าร้อมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันที่อยู่อาศัยเช่าเขาอยู่หรือซื้อมาเป็นของเรามันก็เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันเป็นที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยได้เหมือนกันยารักษาโรคสาสิบบาทรักษาทุกโรคหรือไปเสียสามหมื่นที่โรงพยาบาลเอกชนมันก็รักษาโรคได้เหมือนกัน ถ้ารักษาไม่ได้มันก็ตายเหมือนกันเห็นถ้าเรารู้จักความจริงของปัจจัยสี่แล้วเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองให้มากไปเกินความจําเป็นเพราะว่าประโยชน์ที่เราได้รับมันเท่ากันมันมาเลี้ยงให้ชีวิตของเราอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ในระยะหนึ่งเท่านั้น ร่างกายของเราทุกคนไม่เกินร้อยปีมันก็ต้องตายไปอยู่ดีแล้วเราทำไมต้องมาวุ่นวายมาทาบาปเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายกัน <c oughs> การทำบาปมันไปทาให้เป็นโทษต่อจิตใจของพวกเราดึงจิตใจของพวกเราให้ตกต่าให้เราไปเกิดในภพที่เราไม่ปรารถนากัน <c oughs> ถ้าเรารู้หลักของความ ของการเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่แล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ของแพงๆเราจะได้ไม่ต้องถูกความเข้าใจผิดนี้มาหลอกให้เราต้องไปหาของแพงๆมาเลี้ยงดูร่างกายเราแล้วถ้าเราไม่สามารถหาโดยวิธีไม่ทำบาปได้เราก็อาจจะต้องไปทำบาปกัน มีพ่อค้าแม่ค้ามักจะมาบ่นให้ฟังเลยว่าถ้ารักษาศีลไม่ทำบาปแล้วทำมาค้าขายไม่คล่องแค่ว่องวาขายไม่ดีเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องรู้จักโกหกเพื่อให้คนซื้อเขาจะได้ซื้อของที่ตนเองเอามาขายอันนี้คือความเข้าใจผิด อันนี้เกิดจากความโลภเกิดจากความหลงคิดว่าถ้ามีเงินมามากๆแล้วจะได้ซื้อของดีๆมาใช้กันแต่ไม่รู้หรอกของดีของแพงมันก็เหมือนกับของของถูกของที่ใช้ได้ เ, ออเหมือนกันเสื้อราคาร้อยบาทกับเสื้อราคาพันบาทมันก็ใช้ได้เหมือนกันออทำหน้าที่ปกปิดร่างกายป้องกันร่างกายจาก อากาศหนาวเย็นต้องการร่างกายจากแมลงสา์กัดต่อยต่างๆได้เหมือนกันขอให้เราศึกษาความจริงศึกษาด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์มันจะหลอกให้เรานี่หลงไหลกับของฟุ่มเฟือยต่างๆหลงไหลหลงไหลกับของสวยๆงามๆต่างๆที่จะมาหลอกดูดเอาเงินเราไปแล้วจะทําให้เรา ไม่มีเงินใช้แล้วเงินไม่พอใช้ถ้าเราหาโดยวิธีไม่ทำบาปมันก็จะทำให้เราคิดจะทำบาปขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เอาเงินมาซื้อของฟุ่มเฟือยของสวยๆงามๆต่างๆที่ทำประโยชน์เหมือนกับของที่ไม่ฟุ่มเฟือยของที่ไม่สวยไม่งามแต่ใช้ประโยชน์ใช้สอยประโยชน์ได้เหมือนกัน นี่คือหลักของวิธีที่จะห้ามการไปกระทำบาปคือให้รู้รู้หลักของความพอเพียงอย่างที่ในหลวงรัชการที่เก้าส่งสอนพวกเราไว้อยู่เรื่อยๆให้มีเศรษฐกิจพอเพียงคือให้มีสิ่งที่พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพของพวกเราคือปัจจัยสีที่พอเพียงขอให้มันมีพอเพียง จะแพงราคาแพงหรือราคาถูกไม่ไม่สำคัญขอให้มันทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่แบบสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็พอนี่คือความต้องการของชีวิตของพวกเราทางร่างกายมีเพียงเท่านี้เนี่ยส่วนของอย่างอื่นนี้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นความสุขปลอม ที่จะหลอกให้พวกเราในติดเหมือนยาเสพติดเนแล้วมันจะทำให้เราต้องดิ้นรนหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้กันซึ่งเป็นความสุขเดียวๆความสุขแบบควันไฟได้มาปั๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปอยู่ถ้าวันนี้เราไปเที่ยวกัน เดี๋ยวพอกลับไปทำงานความสุขที่เราได้นี้มันก็จะจางหายไปหมดแล้วมันก็จะหลอกให้เรารอวันหยุดคราวหน้าหยุดวันตุดจีนจะได้เตรียมตัวไปเที่ยวกันใหม่มันก็จะหลอกเราไปเรื่อยๆจากตุดจีนก็ไปสงการจากสงการก็ไปแล้ววันเทศกาลต่างๆแล้วได้ความสุขมาปั๊บเดียวมันก็หายไปหมด อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะห้ามปลามจิตใจยอย่าไปหาความสุขแบบนี้กันนะถ้าอยากจะหาความสุขที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นยาเสพติดใล้ไปหาความสุขจากการทำบุญทำทานกันดีกว่าเอาเงินที่เราจะไปใช้กับการเที่ยวนี้ไปทำบุญดู แลเราจะเห็นผลที่เกิดจากการทำบุญความสุขที่ได้นี้มันต่างกันเป็นความสุขที่ทำให้เรามีความอิ่มความพอไม่ได้เป็นความสุขที่ทำให้เราหิวเราอยากแล้วเวลาถ้าเราไม่มีเงินเที่ยวเราจะงดเหยียดใจแต่วเวลาเราไม่มีเงินทำบุญเราจะไม่งดเหยียดใจ แล้วถ้าเราคิดถึงบุญที่เราได้ทํามันก็กลับทําให้เรามีความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอีกนนอกจากความสุขที่เราได้จากการทําบุญในปัจจุบันนี้แล้วบุญยังเป็นสเสบียงเป็นตัวพัฒนาจิตใจของเราให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเจริญมากขึ้นอีกนจะยกระดับจิตใจของเราจากการเป็นมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาน ถ้าเอาเงินไปใช้กับการเทีย่ยวการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่ได้ยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสูงขึ้นจิตใจเป็นอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะมันไม่ได้เป็นความสุขที่มายกระดับให้กับจิตใจเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินใช้ทอง หลังจากที่เราแบ่งไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นคือปัจจัยสี่แล้วแทนที่จะไปใช้กับของฟุ่มเฟือยของสวยๆงามๆหรือกับการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆลองเอาไปทำบุญดูบุญนี้ก็มีหลายเวหลายหลายแบบด้วยกันทำได้หลายวิธีด้วยกันให้เงินนี้ให้กับใครก็ได้ ให้กับวัดก็ได้ให้กับโรงเรียนก็ได้ให้กับโรงพยาบาลก็ได้ให้กับ อ, องค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้ที่นำไปทาประโยชน์ไปบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ให้เขาได้มีความสุขขึ้นมาบ้างให้ความทุกข์ที่เขามีลดน้อยถอยลงไปบ้าง เวลาเราได้ทําแล้วเรารู้ผลที่เกิดจากการกระทําของเรามันจะทําให้เรามีความรู้สึกอิ่มใจประทับใจดังนั้นเราเลือกทําได้เลือกทําบุญชนิดที่เราชอบทําถ้าเราชอบทํากับวัดก็ไปทํากับวัดถ้าเราชอบทํากับสัตว์ก็ไปทํากับสัตว์ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปถ่ายวัวถ่ายโคถ้าชอบทำโรงพยาบาลก็ไปทําที่โรงพยาบาล ชอบโรงเรียนชอบองค์กรการกุศลเช่นปอเต็กตึงวันนี้เขานิยมไปซื้อลงศพกันเพราะทุกคนจะต้องมีลงศพกันเวลาตายคนที่ไม่มีเงินเวลาตายเขาก็ไม่มีลงศพอยู่ก็ต้องอาศัยคนใจบุญซื้อลงศพให้เขาอยู่กันนะอันนี้ก็เป็นวิธีทำบุญชนิดต่างๆ อญาติยโยมเข้าใจว่าไม่ใช่ต้องมาทําที่วัดเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญถึงจะไปสวรรค์ได้ถึงจะอุทิศบุญให้บิดามารดาผู้ล้องรับไปแล้วได้ทําบุญชนิดอื่นก็ได้บุญเหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกันและอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เหมือนกันบุญเกิดจากการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองของเราให้ เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นพอเราได้ทําประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นแล้วใจก็จะเกิดมีความสุขขึ้นมาถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ยังสามารถทําบุญได้เพราะบุญนี้ไม่ได้เกิดจากการใช้เงินใช้ทองเพียงอย่างเดียวเรามีเวลาว่างมีวาจามีร่างกายที่เอาไปทําประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นได้ ถ้าเรามีวิชาความรู้เราก็ไปสอนผู้อื่นให้เขาได้รู้วิชาต่างๆแล้วเอาไปทำประโยชน์ได้เช่น mm hmm. เรารู้จักวิธีทำกับข้าวรู้จักวิธีทำขนมรู้จักวิธีทำผ้าทาผมตัดเย็บเสื้อผ้า mm hmm. เราไปสอนคนที่เขาอยากจะมีอาชีพเหล่านี้พอเขาเรียนรู้แล้วเขาก็จะได้ไปทำอาชีพได้ mm hmm. อันนี้ก็ได้ทำบุญเหมือนกันหรือถ้าเราไม่มีความรู้แต่เรามีกําลังกายมีเวลาว่างเราก็ไปทําประโยชน์ทางร่างกายได้เช่นบางคนมาวัดก็มาช่วยทําความสะอาดทําความสะอาดห้องน้ำมาทําความสะอาดลานวัดการกระทำประโยชน์เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเหมือนกัน อย่างนั้นเราอย่าไปหลงคิดว่าเราต้องมีเงินเท่านั้นเราถึงจะทำบุญได้ไม่มีเงินก็ทำบุญได้ถ้ามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีเวลาว่างที่เราจะเอาไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เราก็ได้ทำบุญเหมือนกันนี่คือวิธีการที่จะทำให้จิตใจของเราจเจริญขึ้นมีความสุขเบื้องมีความสุขมากขึ้น ในขั้นเริ่มต้นเนี่ยเป็นขั้นที่เราทํากันได้ทุกคนนแล้วพอเราเห็นประโยชน์จากการทําบุญว่ามีมีประโยชน์สุขกับจิตใจแล้วถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นกว่าระดับที่เราได้จากการทําบุญคือระดับเทพเราอยากขึ้นไปสู่ระดับพรหมเราก็สามารถเพิ่มได้ ด้วยการไปหัดนั่งสมาธิกันการนั่งสมาธินี้ก็จะสร้างความสุขให้กับใจที่มากกว่าที่หนักกว่าที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการทำบุญทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นถ้าเราพบรู้จักสถานที่ที่เขาสอนให้นั่งสมาธิลองไปฝึกนั่งกันดู ไปหัดถือศีลแปดเพราะการถือนั่งสมาธิจำเป็นจะต้องงดกิจกรรมอื่นๆไปเช่นกิจกรรมร่วมหลับนอนกันก็ต้องระงับไปไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีงดการรับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อรับประทานถ้ารับประทานเพื่ออยู่ก็รับประทานเพียงครึ่งวันก็พอ ถ้าอยู่เพื่อรับประทานก็ต้องรับประทานหลายมือ้อแต่เราไม่ได้เป็นหมูเป็นอะไรเราเป็นจิตใจที่ต้องการการพัฒนาเราก็อย่าไปเลี้ยงร่างกายให้มันมากจนเกินไปอย่าไปเสียเวลาเราเอาเวลามาเลี้ยงจิตใจของเราด้วยการมาฝึกสมาธิมาทำใจให้สงบกัน เบื้องต้นถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติก็ต้องไปเรียนจากสถานที่ที่เขาสอนเดี๋ยวนี้มีเยอะวัดเกือบทุกวัดนี่มีหลักสูตรสามวันห้าวันให้ไปถือถือศีลแปดแล้วก็จะมีตารางให้หัดปฏิบัติกันตื่นเช้าตีสีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ดู ดูแลร่างกายรับประทานอาหารอาบน้ําอาบท่าหลังจากนั้นเสร็จก็ไปฟังเทศฟังธรรมต่อแล้วก็ไปปฏิบัติต่อสลับกับการทําภารกิจทางร่างกายไปจนถึงเวลาหลับนอน <c oughs> ถ้าเราไม่ไปเรียนเราจะไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้าง <c oughs> เราก็อาจจะทําไม่ถูกหรือไม่รู้จะทําอะไร <c oughs> ในเบื้องต้นเราก็ต้องไป ไปหากจากผู้ที่เขารู้กันว่าวิธีปฏิบัติวิธีที่จะสร้างความสุขระดับพรมนี้สร้างอย่างไรคือการนั่งสมาธินั่นเองะการจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องตัดกิจกรรมอย่างอื่นไปให้หมดงดการดูหนังฟังเพลงงดการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่งดไปงานเลี้ยงงดไปออแต่งแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยวิธีต่างๆเออ งดการหลับนอนมากเกินไปด้วยการไม่นอนบนเตียงใหญ่ๆฟุกหนาๆเพราะจะนอนมากเกินไปเพราะมันสุกมันสบายให้นอนบนพื้นแข็งๆพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อนี่คือหน้าที่ของศีลแปดมีไว้เพื่อที่จะระงับกิจกรรมต่างๆ ที่เราไม่ควรจะทำเพราะมันเป็นกิจกรรมของเทพการหาความสุขของเทพคือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราต้องการหาความสุขของพรหมเราก็ต้องหยุดกิจกรรมของเทพลงไปแล้วมาทากิจกรรมของพรหมกิจกรรมของพรหมก็คือต้องมาทำใจให้สงบวิธีที่จะทำใจให้สงบก็ต้องเจริญสติก่อนต้องสร้างสติขึ้นมา เพราะถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถทําจิตให้สงบได้จิตนี้ก็เปรียบเหมือนกับลิงเนี่ยมันไม่อยู่นิง่งมันชอบกระโจนไปตามต้นไม้โหนกิ่งนั้นโหนกิ่งนี้อยู่เรื่อยๆเวลาที่เราต้องการจะให้ลิงมันนิ่งเราต้องทำอย่างไรเราต้องไปหาเชือกไปรัดมันไปไปคล้องคอมันไปจับมันเอามาพอมีเชือกก็ไปจับลิงได้ พอจับลิงได้ปั๊บก็มามัดมันไว้กับเสาเนี่ยมันก็จะไปไหนไม่ได้เนี่ยใจของพวกเราก็เป็นเหมือนลิงมันคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนลืมตาขึ้นมาก็คิดไปละคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ดีใจเสียใจไปกับความคิดต่างๆวุ่นวายใจเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจไปกับความคิดหาความสุขจากความสงบไม่ได้เลย ถ้าเราต้องการให้ใจหยุดคิดต้องการให้มันสงบเราต้องสร้างเชือกขึ้นมาเ ช, ชือกก็คือสติถ้าเรามีสตินี้พอเรารู้ว่าเราคิดเราสั่งให้มันหยุดคิดได้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันคิดแต่สั่งมันหยุดคิดไม่ได้แสดงว่าไม่มีสติพอเราก็ต้องไปสร้างสติขึ้นวิธีสร้างสติเราก็ต้องอาศัยกรรมฐาน กรรมฐานคืออารมณ์ที่จะทำให้เรามีสติขึ้นมาอารมณ์ของกรรมฐานที่เราใช้กันทั่วไปก็คือพุทธานุสตินะคือเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเช่นบริกรรมคาว่าพุทธโธพุทธโธไปภายในใจถ้าเราบริกรรมพุทธโธอยู่เรื่อยเรื่อเราก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ เพราะการบริกรรมก็เป็นการคิดอย่างหนึ่งแล้วเราจะคิดสองอย่างพร้อมกันในทีเดียวไม่ได้ถ้าเราคิดพุดโทโธเราก็จะไปคิดถึงขนมนมเนยไม่ได้ถ้าเราไม่พุโทโธเดี๋ยวเราก็จะไปคิดถึงขนมนมเนยกันเห็นเราต้องพยายามหยุดความคิดต่างๆด้วยการเจริญพุโทโธพุโทโธไปบางท่านถ้าไม่ชอบพุโทโธก็ใช้กายกตาสติ คือใช้ร่างกายเป็นกรรมฐานได้เป็นที่ตั้งของสติได้ให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในท่าไหนกำลังยืนกำลังเดินเราก็เดินไปกับร่างกายยืนไปกับร่างกายให้จิตทำงานควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆอาบน้ำก็อาบน้ำไปกับ ร่างกายแปลงฟันก็แปลงฟันไปกับร่างกายอย่างนี้ก็จะห้ามไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันที่จะทำให้ใจสงบได้พอเวลาเราไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรแล้วเราก็มานั่งสมาธิได้นั่งหลับตา ถ้าเราใช้คำบริกรรมแล้วก็บริกรรมพุโทโธต่อไปถ้าเราใช้การดูร่างกายเราก็เปลี่ยนจากการดูร่างกายมาดูลมหายใจเข้าออกแทนเพราะตอนที่เราตอนที่เรานั่งร่างกายเราไม่เคลื่อนไหวนะเราก็เลยมาดูลมแทนยังมีลมเข้าลมออกอยู่ก็ดูที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก ถ้าตามลมเข้าตามลมออกจิตมันต้องทำงานจิตมันก็จะไม่นิ่งให้จิตนิ่งนี้ต้องดูที่จุดเดียวเฝ้าดูอยู่จุดเดียวจุดที่ปลายจมูกตรงที่ลมเข้าลมออกแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับลมให้มันหายใจยาวหรือหายใจลึกหรือหายใจสั้นปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันถ้ามันจะหายใจสั้นก็ให้เพียงแต่รู้ว่าตอนนี้กาลังหายใจสั้น ถ้ามันหายใจยาวก็ให้รู้ว่ากำลังหายใจยาวถ้าลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมเพราะการควบคุมบังคับลมเป็นการทำงานนั่นเองเป็นทำงานของใจถ้าใจทำงานใจก็จะนิ่งจะสงบไม่ได้แล้เราให้ดูลมเฉยๆไปถ้าไม่ดูลมก็พุโทโธไป หรือบางท่านเอาทั้งสองอย่างก็ได้หายใจเข้าว่าพุทธก็ได้หายใจออกว่าโธก็ได้หรือหายใจเข้าก็ว่าพุทธโทธครั้งหนึ่งหายใจออกก็ว่าพุทธโทธ่ครั้งหนึ่งก็ได้อันนี้แล้วแต่ความพอใจเพราะกรรมาฐานนี้ก็เป็นเหมือนอาหารอาหารที่จะทําให้ใจอิ่มให้ใจสุข กหมือนกับอาหารที่ร่างกายรับประทานคนบางคนก็ชอบกินข้าวผัดบางคนก็ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวบางคนก็ชอบกินข้าวต้มก็เลือกได้กินอาหารชนิดไหนก็ได้ขอให้กินเท่านั้นน่ะกินแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายอิ่มฉันใดกรรมฐานนี้ก็เป็นเหมือนอาหารของใจที่จะทาให้ใจสงบทาให้ใจอิ่มมีความสุขขึ้นมา ก็เลือกกินชนิดไหนก็ได้ขอให้กินเท่านั้ น, น, นอย่าพูดโทรสองคำแล้วก็หยุดแล้วก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่ออย่าดูลมหายใจได้สองสามครั้งแล้วก็ไปแล้วไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้านั่งแบบนี้นั่งไปกี่ชั่วโมงก็จะไม่มีวันสงบนะ ถ้านั่งแบบที่จะให้มันสงบแบบห้านาทีสิบนาทีนี้ต้องอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวตลอดเวลาถ้าพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวต้องตั้งใจต้องมีความตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะพุโทโธอย่างเดียวเราจะไม่คิดอะไรแต่ตั้งใจอย่างเดียวก็ไม่พอต้องฝึกมาก่อนต้องฝึกพุโทโธก่อนที่เราจะมานั่งหรือฝึกดูร่างกายก่อนที่เราจะมานั่ง ถ้าไม่ฝึกมันมานั่งมันก็จะไม่ทำตามที่เราตั้งใจมันเคยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะคิดไปเรื่อยๆถึงแม้เราจะให้มันพูดโทมันก็อาจจะพูดโทให้เราสองสามคำแล้วมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อให้มันดูลมมันก็ดูลมให้สองสามครั้งแล้วเดี๋ยวมันก็ไปคิดต่อ ดังนั้นก่อนที่จะมานั่งเราจรึงควรที่จะฝึกสติให้มากมากก่อนสามารถให้มันอยู่กับที่ได้ให้ได้ก่อนให้มันอยู่กับเรื่องเดียวให้มันอยู่กับพุทโธหรือให้มันอยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวให้ได้ก่อนโดยไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าเราทำได้เวลานั่งแล้วจิตจะสงบได้ง่ายได้เร็วพอพุทโธไป อย่างเดียวห้านาทีดูลมอย่างเดียวห้านาทีนี้จิตก็นิ่งแล้วจิตเข้าสู่ความสงบพอจิตนิ่งสงบนี้ก็หยุดพุทโธได้หยุดดูลมหายใจได้ไม่จําเป็นจะต้องเอาเชือกมาผูกมัดลิงแล้วเพราะลิงมันถูกยาสลบท่า น, นิ่งแล้วมันไม่มันเหนื่อยแล้วมันดิน้นจนกระทั่งดินไม่ไหวแล้วมันก็จะสงบตัวลงลิงพอมัน ดงแล้วเราไม่ต้องเอาเชือกไปผูกมัดมันก็ได้เหมือนตอนที่นิ่งนอนหลับนี่เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเหมือนมันจะไม่ไปไหนแล้วจิตก็แบบเดียวกันถ้าเรามีสติคอยควบคุมความคิดจนในที่สุดความคิดมันยอมแพ้มันหยุดคิดเราก็ไม่ต้องไปใช้สติบังคับมันอีกต่อไปปล่อยให้มันสงบนิ่งแล้วกใ็ให้ความสุขกับเราให้ความรู้กับเรา เราได้เปิดตาในแล้วนี่คือวิธีเปิดตาในที่จะทำให้เรารู้จักใจว่าเป็นอย่างไรเราจะเห็นว่าใจคือผู้รู้นี่เองผู้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรให้รู้มีแต่ความว่างมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราเข้าถึงจุดนี้แล้วเราจะเราจะได้พบกับสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดไว้ว่านัตติสันติบาลังสุขขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าลองได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วความสุขแบบอื่นนี้จะหมดรสชาติไปโดยอัตโนมัติการที่อยากจะกลับไปหาความสุขแบบเก่าอีกนี้มันจะมันจะไม่มี ม, มีแต่อยากจะหาความสุขแบบนี้คือแบบใหม่ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทำให้เกิดมีความอยาก ที่จะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆพอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมเพียงครั้งเดียวรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงมันก็จะทำให้เกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคือเกิดอิทธิบาทสี่ขึ้นมาคือพลังที่จะผลักดันให้เรามาปฏิบัติธรรมกันอย่างเข้มข้นปฏิบัติกันอย่างจริงจังต่อไปแล้วถ้าเราปฏิบัติได้อย่างเข้มข้น ต่อไปเราก็จะสามารถเลื่อนขั้นจากขั้นสมาธิขั้นสู่ขั้นวิปัสสนาได้เพราะขั้นสมาธินี้ยังไม่ได้เป็นขั้นที่ให้ความสุขแบบเต็มร้อยให้ความสุขแบบชั่วคราวชั่วขณะที่มีสติควบคุมใจให้สงบแต่พอปล่อยให้ใจออกมาคิดทำธทุระต่างๆความสงบก็หายไปได้ถ้าอยากจะให้ใจ มีความสงบทั้งในขณะที่คิดเรื่องราวต่างๆก็ต้องมีวิปัสสนาปัญญามาสอนใจสอนใจให้คิดในเรื่องที่ทำให้ใจสงบไม่ไม่วุ่นวายใจคือสอนใจให้มองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันไม่ใช่เป็นของเราเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวัน จากกันไปดังนั้นถ้าเรารู้เราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายใจกับการคอยดูแลรักษาเพราะใจเราถ้าไม่มีปัญญาใจเรามักจะอยากได้อะไรแล้วก็อยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่พอเรามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์เห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันจากกันเราก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้ ถึงเวลาจะจากกันถ้าเรายับยั้งวันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปใจของเราก็จะไม่วุ่นวายใจของเราก็จะสงบไม่ทุกข์กับการพัดภาคจากกันไม่พัดไม่ทุกข์กับการสูญเสียแต่ถ้าเราไม่สอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวจะต้องมีการจากเราไปในวันใด ว, วันหนึ่งเราก็จะพยายามดิ้นรนต่อสู้คอยปกป้องรักษา ให้สิ่งที่เราไม่อยู่อยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วพอเราทำไม่ได้มันก็จะทำให้เราเสียใจทำให้เราทุกข์ขณะที่ทำก็ทำให้เราไม่สงบทำให้เราวุ่นวายใจแต่พอเรามีปัญญาเราก็จะทำแบบสงบทำแบบไม่วุ่นวายใจทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเท่านั้นเองใจของเราก็จะไม่ ไม่วุ่นวายใจใจของเราก็จะตั้งอยู่ในความสงบถึงแม้จะออกมาใช้ความคิดต่างๆก็ใช้ความคิดแบบมีปัญญาคิดถ้าคิดแบบมีปัญญาแล้วจิตจะคิดแบบปล่อยวางคิดจะไม่คิดแบบยึดติดไม่ได้คิดแบบความอยากต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรก็ได้ถ้าเราทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันถ้ามันไม่ได้ตามที่เรา ควรจะให้มันได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเรื่องของสุดวิสัยเป็นเรื่องของอนัตตาไปทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราเสมอไปถ้าเรามีปัญญาใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับเหตุการณ์ต่างๆกับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรามีไปใจเราจะไม่ยึดไม่ติดและไม่มีความปรารถนากับสิ่งต่างๆอีกต่อไป ใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาหาสิ่งต่างๆอีกต่อไปใจของเราได้ความสุขเต็มร้อยคือความสุขของาภาณิพานที่เกิดจากการปล่อยวางสิ่งต่างๆไปทั้งหมดและความอยากได้สิ่งต่างๆไปหมดใจของเราก็กลับมีความสุขเต็มร้อยขึ้นมาและเป็นความสุขที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมา เกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับการดิ้นรนต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่เรากำลังทำกันอยู่ในทุกวันนี้แล้วต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการสูญเสียทุกข์กับการพัดพากจากสิ่งต่างๆที่เราหามาได้แทบเป็นแทบตายไป น, นี่คือการยกระดับจิตใจให้ถึงขั้นสูงสุดขั้นที่ไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไป ความสุขที่ได้จะเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมัยในหัวใจไปตลอดนะเรียกว่าเป็นความสุขของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขังนะนี่คือเรื่องของบุญและบาปที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนให้พวกเราได้เรียนรู้กันแล้วถ้าเราอยากที่จะพัฒนา ใจิตใจของเราให้มีความสุขมีความเจริญมากขึ้นเราก็ต้องพยายามทำบุญกันให้มากๆแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้ใจิตใจเราตกต่ำเสื่อมลงเราก็ต้องละการกระทำบาปทั้งปวงไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เดิมสุรายามเมาแล้วใจของเราก็จะไม่มีวันตกต่ย ก็จะมีแต่เจริญรุ่งเรืองไปตามกำลังของการทำบุญของเราแล้วสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ไปถึงจุดสูงสุดของบุญคือพระนิพพานกันทุกคนการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะระโสยถามณิโชติราโสยถาสัพีติโยวิวัจจันตุสัรพโลควินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อพิวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรมมวาทานติอายุวะโนสุขังภาละช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากถามอะไรเชอขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเดี๋ยวเลิกแล้วก็จะของงดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา300 YouTube 300วิทยุออนไลน์17 รับฟังข้างบนนี้307คนรวมทั้งหมด924าร้อ่สิบส่ครับเอ่อเชิญขึ้นมาทางนี้หน่อยใกล้ใกไม่เอ่อเอ่อเดี๋ยวพูดติกกดกามพอดีใจเยน็นๆตั้งสติให้ดีก่อน กราบเรียนพระอาจารย์ครับอยากสอบถามว่าการทําบุญที่ดีต่อใจจะได้รู้ได้ไงว่ามันดีจริงไม่ใช่จิตวิทยาที่เราให้รู้สึกดีใจไม่ใช่จิตวิทยาแต่เป็นบุญบุญที่เกิดจากใจเราจริงๆครับก็ลองทําไปเรื่อยๆดูบางครั้งมันอาจจะไม่มั่นใจก็ลองทําบ่อยๆ <c oughs> ทําแล้วก็ถ้าเกิดความรู้สึกเหมือนกันก็แสดงว่าไม่เป็นของจริงแล้วสาหรับคนที่ทํา บาปแต่รู้สึกว่าทํานี่คือสิ่งที่เป็นบุญเขารู้สึกมีความสุขในการทําอย่างนั้นมันแตจิตใจเขามีความสุขอะไรสิ่งที่เขาทาบางทีมันเบียดเบียนคนอื่นแต่เขาไม่สนหรือแต่เขามีความสุขอะไรอย่างนี้เขาสุขเดียวๆสุขตอนที่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเาก็ต้องมาหวาดกลัวกับผลบาปที่จะตามมาต้องคอยหลบคอยซ่อนกลัวถูกตำรวจจับกินไม่ได้นอนไม่หลับหวาดระแวงเนี่ยแต่ถ้าเราบางทีเราทําสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่ามันทําให้เราเกิดอะไรอ่ะ ซวยทีหลังเพราะอย่างเช่นถ้าไปตรวจสอบโรงงานว่าคนนี้ต้องสตริกอะไรแล้วไปเราไปบอกว่านี่มันผิดนี่มันเผยดสุดท้ายเราเป็นสิ่งที่ถูกแต่สุดท้ายเราโดนทุกคนเหม็นขี้หน้าแล้วบางทีเจ้านายเหม็นขี้หน้าทำให้เราสูญเสียงานมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม <vimos. S 1> ่เป็นไรถ้าตามใจเรามีความสุขก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเรามีความสุขกับความทำในสิ่งที่ถูกต้องคนอื่นเขาจะดูถูกเขาจะเกลียดชังเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใจเราจะไม่เดือดร้อนครับ ถ้าใจเรามีคือให้ยึดแบบเราทําไปโดยที่เรายึดความถูกต้องแล้วแล้วสิ่งนั้นคือเรามีความสุขต่อใจก็คือโอเคใช่ไหมครับก็ต้องดูผลกระทบที่จะตามมาบางทีทําถูกต้องไม่ถูกใจก็อาจจะโดนเขาด่าได้ก็อยู่ที่ว่าเรายินดีจะรับกับผลที่กระทบมาหรือไม่ถ้าเรายินดีก็ทําไปแล้วเขาจะดา่าเราก็ปล่อยเขาด่าไป ข, ขอบขอบขอบคุณพระอาจารย์มากครับ เดี๋ยวส่งไปทางข้างหลังน่นั่งตรงนั้นก็ได้กระดาจารย์ด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างสูงสุดเจ้าค่ะลูกมีคำถามและเป็นปัญหาของลูกเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาลูกได้เจอได้ประสบกับความทุกข์ใจที่สุดในชีวิตของลูกที่เกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นลูกใช้สติก็แล้ว ใช้ปัญญาก็แล้วมันยังไม่สามารถระ ง, งับหรือคลายความทุกข์นั้นได้ได้แต่ระลึกถึงท่านพระอาจารย์แล้วพยายามประคองสติโดยใช้การบริกรรมพุถโธแต่กม็มันเอาไม่อยู่พระอาจารย์มีหนทางชี้แนะแนวทางในการคลายความทุกข์ครั้งนี้ของลูกหรือไม่เจ้าคะก็สติเรายังน้อยไปไงมีกำลังไม่มากปัญญายังไม่แหลมคม ยังมองไม่เห็นชัดเจนก็เลยทำให้เรายังปล่อยวางไม่ได้ถ้าเรามีสติมากแล้วเรามีปัญญาที่แหลมคมเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปยึดติดกับมันเราก็ปล่อยมันเท่านั้นเองมันเราก็จะหายทุกข์ตอนนี้เราปล่อยไม่ได้เรายังอดคิดถึงมันไม่ได้เนี่ยก็คือปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยได้ก็จะไม่คิดถึงมัน พอไม่คิดถึงมันมันก็จะไม่มาสร้างความบวรบกวนใจให้กับเราถึงแม้มันยังจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันไม่เกี่ยวกับเราถ้าเรามันไม่เอามันเข้ามาในใจเราแล้วมันทำะายใจเราไม่ได้เราเอาเข้ามาในใจเราเองด้วยความคิดของเราเราไม่มีสติที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้ยังคิดถึงมันอยู่คิดถึงมันทีไรก็เศร้าใจทุกใจขึ้นมาทุกทีนั้นแสดงว่าสติยังมีน้อย ไม่สามารถหยุดความคิดได้ก็ต้องพยายามฝึกสติสร้างสติมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราวุ่นวายใจถ้าทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหยุดได้พระอาจารย์คะแล้วความเมตตาของเราเนี่ยสามารถให้อภัยบุคคลที่ทากับเราคือการให้อภัยนี้เพื่อดับความโกรธของเราเราไม่ได้ไปเปลี่ยนคนที่เราให้อภัย คนที่เราให้อภัยเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันไม่ได้เกิดอยากการให้ใหอภัยของเราแต่การให้อภัยของเราเกิดประโยชน์กับเราตรงที่ทำให้เราหายโกรธเราจะได้นอนตาหลับเมื่อเรากินไม่ได้นอนไม่หลับคิดล้างแค้นาคาตพยาบาทนี่ความเมตตามีไว้ดับความทุกข์ของเราไม่ใช่ไปเปลี่ยนคนอื่นค่ะถ้าคนคนนั้นเขาขอโอกาสในการปรับตัว แก้ไขสิ่งที่เขาทําผิดกับกับลูกลูกยังตัดสินใจไม่ได้ว่าลูกจะทําอย่างไรเจ้าคะก็มีสองทางเลือกนะก็อาจจะต้องถ้ากลับไปคบกันเหมือนเดิมก็อาจจะต้องไปเจอปัญหาแบบเดิมอีกประวัติศาสตร์อาจจะซ้ํารอยอันนี้เราก็ไม่รู้เขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้หรือเขาอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะคําพูดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ความจริง เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนไม่ใช่ไม่ใช่คำพูดเป็นเครื่องพิสูจน์คนเหตนั้นถ้าเราอยากจะลองเสียงอีกก็ก็ลองดูแต่ถ้าเราคิดว่าเราฉลาดพอคบกับเขาได้แล้วมีภูมิคุ้มกันก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้าต่อไปเขาทำแบบนี้อีกเรามีภูมิคุ้มกันเราก็รู้ทันเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ไปหวังอะไรจากเขามากเราก็จะไม่เสียใจมาก แต่ถ้าเราเข็ดแล้วไม่อยากจะเจ็บซ้ำสองก็แยกทางกันดีกว่าคุณไปทางเราไปทางปัญหามันเกิดจากเหมือนการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยหนูเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วเริ่มตั้งใจฟังธรรมะพระอาจารย์ทุกวันมาประมาณ <c oughs> ปีกว่าเกือบสองปีมันทำให้เรากามราคะของเรามันมันน้อยหรือแทบจะไม่มีเจ้าค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นข้อบอกพร่องของเราทำให้เขาสร้างปัญหาให้กับเราได้เราก็ต้องไม่ไปโทษเขาเราก็ต้องโทษตัวเราเราต้องยอมรับกับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในตัวเรากับเขาเราก็ต้องยินดีปล่อยให้เขาไปทำในเรื่องที่เขาต้องการทำเมื่อเขาทำกับเราไม่ได้เขาก็ต้องไปหาคนอื่นทำเลยถ้าคิดว่าอยู่ร่วมกันแล้วไม่มีความสุขก็แยกทางกันดีกว่า ถ้าอยู่แล้วทุกอยู่ไปทําไมเหตุผลที่คนสองคนมาอยู่รวมกันก็เพื่อให้เกิดความสุขเมื่อไม่เกิดความสุขแล้วก็ผิดผิดเจตนาผิดเป้าหมายแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมคือเขาบอกกับหนูว่าเขาขอโอกาสเขายินดีให้เราปฏิบัติธรรมแล้วจะสนับสนุนเราและจะไม่มีไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ว่าหนูลองชั่งชั่งน้ําหนักดูสิ <คะ S 2> ว่าได้หรือเสียยังไงจะได้มากกว่ากันเสียมากกว่ากันเรื่องนี้หนูไม่กล้าบอกพ่อแม่อการเรื่องของเราไม่ต้องบอกใครค <ะ S 2> ทั้งนั้นเ <คะ S 2> นี่ยเราเป็นคนตัดสินใจเราเป็นคนรับผลของการกระทําของเราอ่งั้นก็ลองชั่งน้ําหนักดูถ้าอยู่ต่อไปได้มากกว่าเสียก็อยู่ไปถ้าอยู่ต่อไปเสียมากกว่าเสียมากกว่าได้ก็อย่าอยู่ค่ะถ้าอยู่ถ้าได้เท่ากัน ก็อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้อันนี้ก็ต้องดูที่ผลดีกว่าผลที่จะเกิดขึ้นว่าจะได้มากกว่าเสียแล้วเสียมากกว่าได้กราบขอขอะคุณพระอาจารย์มากค่ะหนูจะบอกว่าธรรมะของพระอาจารย์มันช่วยให้หนูทุกน้อยลงได้มากถ้าเป็นหนูแต่ก่อนหนูก็คงจะอยู่ในอย่างนี้ไม่ได้หนู<ก>ยังลงมามทํางานได้ปกติทุกอย่างก็ดีนี่แหละเป็นคุณของพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้พยายามยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นที่พึ่งแล้วเราจะไม่ <สะ S 1> ไ, มไม่ทุกข์มากจนเกินไปะหรืออาจจะไม่ทุกข์เลยต่อไปก็ได้กับกราบขอบพระคุณหนูกราบลาอาจารย์นะคะได้สาธุได้จสาธุสาธุเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดีปับ๊บเดี๋ยวขอถามคำถามอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวอีกสามสามนาทีเดี๋ยวเราเดียวาถามได้เลยหนูถามได้ ขออนุญาตถามเรื่องกายคติของที่ดูกายเรื่องการฝึกสมาธิค่ะสติค่ะ เ, เวลานั่งสมาธิเวลาจะฝึกสมาธินี่ก็จะใช้จ่อไปที่ปลายจมูกแล้วก็คิดถึงพุโทโธ ไอ้กายคติคือฝึกมันหลายครั้งรู้มันหลุดตลอดอะคะ่ะจะใช้สองอย่างพร้อมกันได้ไหมคะโดยใช้ร่างกายแต่ว่ามันมันจะรู้สึกเลือ่อๆือค่ะแล้วก็จะใช้ธรรมานุสติคือเช้ามาเนี่ยมันจะเหมือนมีอารมณ์ว่าจะยึดทําตัวหนึ่งมารวมกันเลยได้ไหมคะได้ได้ได้ไหนก็ได้มันจะ ด, ด, ดึงดีกว่าหรือเปล่าคะไม่คะ่ะก็ลองดูพลองดูก่อนอใช่ไหมคะถ้ามันดึงสักลองไปสักพักถ้ามันดึงดีกว่าก็ไปอีกไปเรื่อยๆ การปฏิบัติก็ต้องมีลองผิดลองถูกด้บางทีไม่ถูกกับเจตด็ดของเราไม่ถูกกับระดับจิตของเราเราก็ต้องเปลี่ยนปรับให้มันให้มันถูกกับเราปรับได้เปลี่ยนได้แต่ต้องมีเหตุมีผลอย่าปรับเปลี่ยนด้วยอารมณ์ววันนี้ไม่ชอบตัวนี้เอาตัวนั้นก็ต้องดูเหตุว่าถ้ า, าตัวนี้แล้วดีกว่าตัวนั้นค่อยเอ า, เ อ, าอย่างนี้จ้าค่ะมีคาถามาไหม มีแต่เวลาเหลืออสักสองคำถามนะคำถามจะคุณเพชรน้ำหนึ่งการที่ผมนอนภาวนาแล้วกําหนดคำบริกรรมรู้สึกว่ากายภายนอกหลับแต่ตาภายในกลับสว่างมองเห็นแต่ผมก็พยายามที่จะลุกขึ้นในขณะนั้นตอนนั้นเหมือนร่างกายภายนอกที่หลับอยู่ดึงกายภายในไว้ เป็นอยู่สองสามครั้งพอครั้งที่สี่ตานอกก็ลืมขึ้นผมอยากทราบว่าอาการเหล่านี้เป็นเพราะอะไรครับก็เพราะเรื่องการดึงจิตเข้าข้างในกับเรื่องของกิเลสพยายามผลักดันให้ออกข้างนอกมันก็ต่อสู้กันเหมือนชักกระเยอะกันฝ่ายหนึ่งมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปอีกทางหนึ่งมันก็เลยเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมา อยากจะเข้าข้างในอยากจะออกข้างนอกขึ้นมา <c oughs> ก็พยายามอยู่กับสติแล้วเราจะเดิงใจให้อยู่ข้างในได้นาน <c oughs> ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็จะถูกความอยากผลักดันให้ออกมาข้างนอกคำถามจากคุณเบลทุกวันนี้ลูกปฏิบัติด้วยการมีสติดูกายดูใจแต่รู้สึกว่ายังมีโมหะความหลงตัณหาเจ้าค่ะลูกก็พุโทโธดูการเกิดดับแต่บางครั้งก็ทาไม่ได้ ขอคำชี้นะจากพระอาจารย์ในเรื่องการละตัณหากามารมณ์เพราะลูกเห็นแล้วมีแต่ความทุกข์ไม่ยั่งยืนเจ้าค่ะออการฝึกสตินี้ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาที่มาใช้ในการละกิเลสได้การฝึกสตินี้เพียงแต่สร้างพลังให้กับจิตเพื่อหยุดความหยุดกิเลส ช, ชั่วคราวแต่ห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้ แล้วก็ทำลายมันไม่ได้เพียงแต่หยุดมันเวลามันโผล่ขึ้นมาได้ถ้าเรามีสติถ้าอยากจะทำลายมันเราต้องใช้ปัญญาสอนใจเวลาอยากได้อะไรก็สอนว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นใจลักมันไม่เที่ยงมันจะเป็นทุกข์ต่อไปมันไม่ได้เป็นของเราเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าเป็นใจลักความโลภความอยากได้มันก็จะหายไป เห็นต้องหัดพิจารณาตายรักในสิ่งที่เราโลภเราอยากไม่ว่าหรือในสิ่งที่เราโกรธก็เหมือนกันเวลาเราโกรธใครก็พิจารณาว่าคนที่ทําให้เราโกรธเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อ, อนัตตาคือเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้สั่งให้เขาทําตามที่เราต้องการไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ปล่อยเขาทําไปตามเรื่องของเขาเราอย่าไปอยากกับเขาอย่าไปอยากให้เขาทําตามที่เราอยากเราก็จะไม่โกรธเขา